เรื่องเล่าเกี่ยวกับงูเรื่องสุดท้ายนี้ได้รับการดัดแปลงมาจากนิทานชาดกเก่าแก่มันแสดงให้เห็นว่าการอนุเคราะห์นั้นไม่ได้หมายถึงการที่จะต้องโ อ, อนอ่อนผ่อนตามไม่ชุนและไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆอยู่ตลอดเวลา มีงูร้ายอาศัยอยู่ในป่านอกหมู่บ้านมันมีพิษภัยมุ่งร้ายและเห็นแก่ตัวมันกัดคนแค่เพราะนึกสนุกและเพื่อความเพลิดเพลินเมื่อจะงูร้ายตัวนี้อายุมากขึ้นมากขึ้นตามอายุไขของงูมันเริ่มสงสัยว่างูตายแล้วไปไหนตลอดชีวิตที่กู่ฟอฟอของมัน มันดูถูกเยียดยามศาสนาและบรรดางงูในความเห็นของมันงมงายหลงเชื่อเรื่องไร้ส า, าระเช่นศาสนาแต่บัด น, นี้มันเองก็จักจะสนใจขึ้นมาแล้วบนยอดเขาไม่ไกลจากหลุมที่พักของเจ้า ง, งูร้ายเป็นที่อาศัยของงูศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือศีลภาวนามักอาศัยอยู่บนยอดเนินเขาหรือภูเขาแม้แต่งูนักบวชก็เช่นเดียวกันมันเป็นธรรมเนียมนะยังไม่เคยมีใครได้ยินว่าผู้ถือศีลภาวนาอาศัยอยู่ในปลักตมนี้นะวันหนึ่งเจ้างูร้ายตัดสินใจจะไปเยี่ยมงูศักดิ์สิทธ มันใส่เสื้อฝนแว่นตาดำและหมวกเพื่อพรางตัวไม่ให้เพื่อนจำมันได้แล้วมันก็เลื้อยขึ้นเขาไปที่วัดของงูศักดิ์สิทธิ์มันไปถึงขณะที่งูบาอาจารย์กำลังสั่งสอนอยู่ท่านขดอยู่บนก้อนหินและงูอีกหลายร้อยตัวกำลังฟังอยู่อย่างใจจดใจจ่อเจ้างูร้ายเลื้อยเข้าไปบริเวณริมริมกลุ่มงู ที่ชุมนุมกันอยู่ใกล้กับทางออกและเริ่มฟังบ้างยิ่งฟังมากขึ้นเท่าใดมันก็ยิ่งรู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากขึ้นเท่านั้นมันเริ่มเชื่อและเกิดแรงบันดาลใจในที่สุดก็เปลี่ยนความเชื่อที่เคยมีเมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นลงมันเข้าไปหางูศักดิ์สิทธิ์ด้วยน้ำตา สารภาพบาปทั้งหมดที่เคยทำมาในชีวิตและสัญญาว่าจากนี้ไปมันจะเป็นงูตัวใหม่มันสาบานต่อหน้างูศักดิ์สิทธิ์ว่ามันจะไม่กัดมนุษย์อีกต่อไปมันจะเมตตาการุณาและมีความรักความห่วงใย มันจะสอนงูอื่นๆให้เป็นงูที่ดีแถมมันยังบริจาคเงินลงในกล่องตรงทางอออีกด้วยแน่นอนว่าเมื่อ ง, งูทุกๆตัวกำลังมองอยู่แม้ว่างูสามารถพูดกับงูได้แต่มันก็จะออกมาเป็นเสียงอย่างเดียวกันเหมือนเสียงขู่ฟ้อที่มันทำกับมนุษย์เรา เจ้างูร้ายหรืออดีตเจ้างูร้ายไม่สามารถจะสื่อสารให้มนุษย์รู้ได้ว่าบัตรนี้มันเป็นงูที่รักสันติแล้วชาวบ้านทั้งหลายยังหลบหลีกมันแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มแปลกใจที่มันติดเปลี่ยนเนร้อรัศกรรมสากลไว้อย่างเด่นชัดบนอกของมันแล้ววันหนึง่งเมื่อชาวบ้านคนหนึ่งกําลังตั้งใจฟังเพลงจากเครื่องวอล์แมน เดินรำผ่านเจ้างูร้ายตัวนั้นเขาจึงได้เห็นว่าเจ้างูร้ายไม่ได้ฉกกะเขาแถมยังยิ้มอย่างผู้ปฏิบัติทรรเสีด้วยตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทั้งหลายก็ได้ประจักว่าเจ้าหมู่ร้ายตัวนั้นไม่น่ากลัวอีกต่อไปพวกเขาสามารถเดินผ่านมันไปมาขณะที่มันคดสมาธิอยู่นอกลุ่มของมัน แล้ววันหนึ่งเด็กเกเรกลุ่มหนึ่งจากในหมู่บ้านก็ได้มาแย่มันเฮ้ยไอตัวเลื้อยดึงๆพวกเขาส่งเสียงยอดเย้ยมาจากระยะที่ปลอดภัยถ้าแกยังมีเขียวอยู่แล้วก็โว์ให้เราดูหน่อยสิเว้ยไอนอนอ้วนแกมันก็ไอขี้คลาดตุ๊ดส่เสื่อมเสียสายพันหมด มันไม่ชอบที่จะถูกเรียกว่าไอ้ตัวเลื้อยดึงๆแม้ว่ามันจะเป็นความจริงอยู่บ้างหากจะต้องบรรยายลักษณะของมันและมันก็ไม่ชอบถูกเรียกว่าไอหนอนอ้วนด้วยแต่มันจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรมันได้สาบานไปแล้วว่ามันจะไม่กัดใครเมื่อเห็นว่าจะงูตัวนั้นไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบใดๆ พวกเด็กๆ ก, ก็ยิ่งเหิมเกริมขึ้นถึงกับปลาก้อนหินก้อนดินใสและหัวเราะชอบใจเมื่อปลาถูกเจ้างูรู้ว่ามันเร็วพอที่จะฉกกัดเจ้าเด็กคนใดคนหนึ่งก่อนที่ใครสักคนจะเอ่ยคำว่ากองทุนเพื่อสัตว์ป่าโลกจบเสียดุดซ้ำแต่คำสาบานห้ามมันไว้ดังนั้นเด็กๆจึงเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและเริ่มเอาไม้ตีที่หลัง จ้า ง, งูที่น่าสงสารยอมรับการตีที่เจ็บปวดนั้นแต่มันเริ่มตระหนักว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราจะต้องมีความร้ายกาจบ้างเราจึงจะสามารถปกป้องตนเองได้าศาสนาเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระในที่สุดดังนั้นมันจึงเลื้อยขึ้นไปบนเขาด้วยความเจ็บปวด เพื่อไปหางูนักต้มตุ่นตัวนั้นและเพื่อจะไปถอนคำสาบานของมันด้วยงูศักดิ์สิทธิ์เห็นมันขึ้นมาอย่างสะบัดสะบอนและฟกช้ำไปทั่วตัวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นรึกเจ้างูร้ายคลั่โครวญด้วยความขมขื่นว่าทั้งหมดเป็นความผิดของท่านแท้ๆงูศักดิ์สิทธิ์านว่า เจ้าหมายความว่าอย่างไรทั้งหมดเป็นความผิดของข้าง น, นั้นรึก็ท่านบอกว่าไม่ให้ผมกัดใครดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมละ่ะศาสนาหนักใช้ได้แต่ในวัดเท่านั้นหรอกแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะ่ะเจ้างูโง่เอ้ยงูศักดิ์สิทธิ์ขัดขึ้น เจ้าช่างเป็นมูที่งี่เง่านักถูกต้องแล้วที่ข้าสอนไม่เจ้ากัดใครแต่ข้าไม่เคยห้ามเจ้าไม่ขู่ฟอฟ่อนะใช่ไหมล่ะบางครั้งในชีวิตแม้แต่ผู้มีใจบริสุทธิ์ก็ต้องแสดงท่าขูให้เกรงใจแต่ไม่ต้องกัด